ผู้ชม ค, คะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราฟังทำตามพุทธวจนะเนี่ยก็มักจะไปถึงปลายทางที่พูดถึงเรื่องของการหลุกพ้นแต่ว่าอันนีน้จะกลับเปถยนท่านอาจารย์ถึงเรื่องที่บนโลกใบนี้ที่เราต่างคนต่างก็อยู่ร่วมกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการอยู่รวมกันภายใต้การปกครองนะคะว่าการปกครองในระบอบประชาธิไปไตยกับธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นอย่างไรคะ่ะท่านอาจารย์คะอ ขอประทานโทษนะคะเอ๊ะดิฉันจาได้เขาแพ้วคลา่เหมือนกับท่านอาจารย์นี่ก่อนจะมาบวชได้ศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะอ๋อก็ได้ศึกษามาบ้างค่ะก็จะกลับเรียนถามท่านถึงเรื่องของเราเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะสามารถจะเอาหลักการของธรรมะมาใช้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรบ้างนะคะอือก็จริงๆแล้ว หลักในทางพุทธที่เอามาใช้ได้เนี่ยมีเยอะเหมือนกันค่ะอย่างเช่นหลักของการที่จะดูว่าเอะเราจะเลือกใครอะไรยังไงนะที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนของเราอย่างเนี้น ะ, ะก็เช่นว่าจะใช้ประสูดที่ว่าปาโตโคโสโยนิโสมนสิการก็ได้นะก็คือ เมื่อฟังคำโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นแล้วเนี่ยให้กระทำในใจให้แยกคายให้ควรพิจารณาให้ดีก่อนมิจฉาทิฏฐิจะได้ไม่เกิดขึ้นหรือในส่วนของการที่ว่าพระองค์บอกว่าสัตบุตรเนี่ยย่อมเห็นสัตบุตรด้วยกันนะย่อมรู้จักสัตบุตด้วยกันเองคนดีจะมองเห็นคนดีด้วยกันออก เพราะว่าบัณฑิตเนี่ยมีกรรมหรือการกระทําเป็นเครื่องหมายคนพานก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายเหมือนกันนั้นพระองค์ก็บอกวิธีสังเกตเครื่องหมายของคนพานและบัณฑิตให้อย่างเช่นว่าเรื่องของการพูดจาวาจาของสัตบุตรเนี่ยเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ย เมื่อไม่ถูกใครถามเนี่ยจะไม่พูดถ้าถูกใครถามก็จะพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของคนอื่นโดยละเอียดผู้เจ้าบอกว่าให้เพีงรู้เถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุตรคนดีนี่ก็เป็นเครื่องหมายเหมือนกันที่แสดงถึงความเป็นคนดีในเรื่องของวาจาอย่างนี้การโฆษณาชนเชื่อซึ่งมันจะสอนรับกันหมด <c oughs> เ, เรื่องไม่ดีของ ตนเองเนี่ยเมื่อไม่มีใครถามก็บอกได้แล้วถ้ามีใครถามก็บอกโดยละเอียดได้ส่วนเรื่องดีของคนอื่นเนี่ยเมื่อไม่ถูกใครถามก็จะบอกถ้าถูกใครถามให้บอกให้ละเอียดส่วนเรื่องดีของตนเองก็ไม่มีใครถามก็ไม่บอกแต่ถ้ามีใครถาม เขาจะหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความดีของตนเองเดินได้เยอะซึ่งจริง ๆ, ๆบางคนอาจสงสัยว่าแล้วอย่างนี้นักการเมืองจะรู้ได้ไกกไดยังไงว่าตัวเองจะประชาสัมพันธ์ตัวเองยังไงก็คือจริงๆประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะกระทาได้ในอนาคตต่อไปเนี่ยประเทศชาติคุณจะเป็นยังไงเรามีนโยบายอย่างไรจะทําอย่างไรแต่ไม่จําเป็นต้องประกาศความดีตัวเองนะ แต่ถ้ามีคนถามความดีตัวเองเนะี่ยเนเราก็บอกได้นะไม่ต้องเงยอะก็ได้ก็บอกไปตามสมควรนะแล้วก็บอกเรื่องของนโยบายการทำงานเป็นหลักแนวทางจะเป็นยังไงทิศทางจะเป็นยังไงรายละเอียดมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเนะเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็แบบว่าเหลือเฟือลอะลตัดสินได้แล้วใช่ไหมว่าเราจะให้ประเทศชาติเนี่ยมีทิศทางไปในทางไหนอย่างเช่นว่าถามว่า ประเทศไทยเคยสนับสนุนนักวิจัยพวกนักวิวทยาศาสตร์ไม่เคยเลยถ้าไม่มีเลยคนเด็กไทยเก่งนะชนะเลิศการประกวดนะวิทยาศาสตร์โอลิมปิกคณิตศาสตร์เลยนะไม่เคยใช้พวกนี้มาเลยไม่เคยสนับสนุนด้านการวิจัยไม่เคยให้พวกนี้มามาทําวิจัยหรืออะไระใครที่ทําอะไรเก่งๆไม่เห็นรัฐบาลสนับสนุนอย่างจริงจังเราไม่ค่อยมี วิสัยทัศน์ของผู้นำที่มองในเรื่องนี้อย่างนี้ก็เลยกลายเป็นประเทศที่เป็นผู้ตามตลอดไม่เป็นประเทศที่เป็นผู้นำอย่างนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองมุมมองหนึ่งค่ะดิฉันขออยู่ตรงที่ท่านพูดถึงว่าในเรื่องของอช่วงเลือกตั้งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านไปการเลือกตั้งมันมีนมหลาย การเลือดตั้งมากในระบบประชาธิปไตยใช่ไหมคะในระดับท้องถิ่นในระดับส่วนกลางทีนี้ท่านบอกว่าให้ใช้หลักปรัโตโคโซโยนิสโสมนัสิการคือต้องพิจารณาให้ดีว่าอย่างนั้นเถอะฟังเขาแล้วก็ฟังแต่ว่าไม่ใช่ฟังปุ๊บเชื่อปั๊บต้องไตร่ครองแล้วก็ไปดูในรายละเอียดว่าคนที่เขาเป็นผู้อาสานี้เขามีคุณสมบัติตามธรรมหรือเปล่า แล้วก็ดูยากจากอย่างอื่นก็ให้ดูจากวาจาก็ได้ใช่ไหมคะคนที่ว่าคนอื่นง่ายๆโฆษณาความไม่ดีของคนอื่นผิดหลักของการพูดตามแบบพระพุทธเจ้าวาจาของสัตว์บุรุษนะคะนะคะแล้วก็เรื่องคนอื่นอย่าไปว่าเ้าถ้าไม่มีใครถามไม่ต้องพูดถ้าพูดให้พูดน้อยที่สุดเรื่องตัวเองไม่ต้องโอ้อวดถ้ามีใครถามให้พูดน้อยที่สุดเช่นเดียวกัน เรื่องความดีของตัวเองใช่อย่างนี้นครับแต่ที่ถ้าจารพูดว่าเพราะนั้นนักการเมืองก็มีปัญหาที่เขาคิดตามว่าไม่รู้รจะพูดอะไรกันเพราะว่าดูเหมือนกับนักการเมืองไทยนะคะจะติดกับดักตรงนี้ค่ะท่านบางทีก็เริ่มต้นด้วยการพูดนโยบายกันก่อนเสร็จแล้วพอมันมีการกล่าวหาเกิดขึ้นทีละฝุ่นตลบอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเลยอ่าใช่ใชเพราะว่าอา่ทนต่ออารมณ์ไม่ได้ไงพอมีเสียงสรรเสริญนินทามาปั๊บเนี่ยไหลไปตามอารมณ์ ไม่หยุดการปรุงแต่งไม่ตั้งไว้ซึ้นกายยักตาสตินะนะไม่ดำรงสติไว้ในภายในก็เลยยินหยัดในสิ่งที่ควรจะพูดไม่ได้นะก็เลยเฉยแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์เพราะฉะนั้นนักการเมืองถ้ามาฝึกสติฝึกสมาธิการพูดจาจะเนียบมากจะละเอียดนะควจริงที่ฉันก็ได้ยินนะคะว่านักบันักการเมืองใหญ่ๆบางท่านเนี่ย <c oughs> ก่อนจะขึ้นเวทีปัจจุบันนี้ <c oughs> จะต้องแม่งทําสมาธิก่อนอันนั้นถือ <c oughs> ว่าถูกต้อง <c oughs> ถูกต้องเลยคะ่ะ ถ้าอาจารย์คะทีนี้พอท่านบอกว่าถ้าจะให้ดีทําไมจะพูดไม่ได้คือให้พูดนโยบายไปไม่ต้องไปพูดถึงความดีความเลวของใครแม้กระทั่งานตัวเองเพราะจริงๆแล้วทัานเองก็เคยผ่านการเป็นนักการเมืองมานะคะคือเหมือนกับว่าการประชาสัมพันธ์ตัวเองให้คนรู้จักบางทีก็ต้องบอกว่าเรามีคุณสมบัติอย่างไรแล้วก็พอขึ้นเวทีเนี่ยบางครั้งบางคนเขาก็พูดกันนะคะว่าข้าพเจ้าดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าลําพังเนี่ยค่ะพอมาถึงท่านบอกให้พูดนโยบายอย่างเดียว มันอาจจะโน้มน้าวจิตใจคนไม่พอหรือเปล่าอถ้าหากว่าคนฟังเนี่ยเขาไม่รู้ธรรมะด้วยท่านคะก็ถ้าเขาอยากรู้ประวัติก็บอกประวัติได้เพราะมันเป็นสัจจความจริงค่ะซึ่งมันไม่ได้ดีไม่ได้เลวอะไรมันเป็นสิ่งที่เราเคยกระทํามาใช่ไหมเราก็บอกบอกสัจจความจริงตรงนี้ได้ว่าได้ผ่านอะไรมานะได้ทํางานอะไรมาอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเราบอกความจริง ทีนี้ในสมัยผ <c oughs> ู้จัดการพูดถึงถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของการปฏิบัติในยุคของพระพุทธองค์แล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นวินัยค้างมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีไหมคะที่จะต้องให้มีการยอมรับเหมือนเหมือนกับประชาธิปไตยไงเขาจะมีการเลือกใช่ไหมคะเลือกแล้วก็ต้องให้มีการยอมรับตามที่คนส่วนใหญ่เลือกอย่างนี้นค่ะอ๋ออันนี้พระองค์เรียกว่าเยปุยสิกาเรียกว่า ตัดสินเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณเป็นวิธีระงับอธิกรณ์หรือเรียกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ไม่ใช่ว่าพอพูดว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสียทั้งหมด<ช>ก็สินพระปราการบวชอย่างเงี้ยก็คือเรื่องปกติเนี่ยก็เรียกว่าอธิกรณ์หมด<ช>เป็นคำกากลางทุกเรื่อง<ม>การเลือกตั้งนี่ก็เป็นเรื่องอันหนึง่งการทําทุกอย่างเนี่ยเมื่อมอีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ย จะมีวิธีระงับให้ยุติด้วยดียังไงเช่นมีส ม, มุภาวินยัยถึงการประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่า ย, ยาประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายตกลงกันได้แล้วอธิกรณ์เรื่องราวจบก็ดีไปถ้าเรื่องราวยังจบไม่ได้พระเจ้า ก, ก็ให้ใช้เยปุยสิกาใช้เสียงข้างมากเป็นประมาณในหลักการประชาธิปไตยก็เหมือนกันเราก็าใช้เสียงข้างมากนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่า น, นั้นเราลอง ดูว่าอารันต ส, สัมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักไม่งัประเทศก็เดินไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นในสมัย <c oughs> พุทธกาลเสียงข้างน้อยมีความหมายไหมคะท่านเสียงข้างน้อยมีความหมายไหมก็ลองดูนะถ้าคณะสงฆ์เนี่ยพะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสงฆ์ที่ดีมีจํานวนน้อยกว่าสงฆ์ที่ไม่ดีก็ต้องนั่งนิ่งก้มหน้าคอตกซบเสาท่ามกลางสงฆ์ไม่ทะเลาะแต่ก็เฉย ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขามากกว่าใช่ไหมคนไม่ดีมากกว่าก็าต้องปล่อยไม่งั้นมันก็เกิดการทะเลาะ ก, กันใช่ไหมแต่ก็ยืนหยัดอยู่ในความดีกันคนคนไม่ดีจะทําไม่ดีไปไปสักเท่าไหร่เดี๋ยวกำเชื่อเชื่อในหลักของกรรมเดี๋ยวกรรมก็ต้องตอบสนองใช่ไหมนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยเนี่ยคนคนดีเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กลับขึ้นมาเอง พคนไม่ดีเนี่ยก็จะแพ้ภายตนเองพระเทวทัตยพยายามทําไม่ดีต่อภูจ้าแค่คิดเทวดารู้แล้วพระโมคคลานาฬะรู้มาบอกภูจ้าภูจ้าบอกไม่ต้องทําอะไรปล่อยไปเดี๋ยวการกระทำเขาจะปรากฏขึ้นมาเองยมปล่อยให้คนไม่ดีเนี่ยทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรืเ่อยๆมันจะบานขึ้นบานขึ้นนะมันไม่มีที่สุดของความอยาดคนที่โลกหรือว่าทําความผิดก็จะทํามากขึ้นมากขึ้นจนทั้งมันปรากฏขึ้นมาเอง มหาชนก็จะตัดสินใจได้คนดีก็คือนิ่งเฉยๆรอเวลาให้พวกเนี้ยสดุดขาตัวเองมันก็ตายไปเองไงก็เนี่ยเฉยๆไม่เกิดการทะเลาะแต่พวกนี้ก็ตายไปเลือกตั้งใหม่คนนี้ก็กลุ่มนี้ก็จะขึ้นมาใช่มเนี่ยก็จะทานที่ฉันเจอคำถามที่ท้าทายใน Facebook คือก็เป็นสมาชิกสังคมออนไลน์เขาด้วยทีนี้วันหนึ่งก็มีคนถามว่าคนดีคืออะไร คลาบบา้ายๆแบบท้าทายอะถามในช่วงเลือกตั้งจะให้ที่ท่านบอกว่าคนดีคืออะไรจริงๆก็ไม่รู้จะตอบอยังไงก็ได้แต่บอกว่าคือคือตอบไปสั้นๆนะนะคะก็อันนั้นยกที่ท่านเพื่อท้าพูดถึงว่าคนเราเนี่ยมันมีดีมีเลวแล้วก็ให้เลือ ก, เ ล, อกเลือกเลือกมองคนในส่วนดีแต่นี้อย่างไรก็ตามก็ยังอยากจะมากราบเรียนท่านในฐานะที่ท่านศึกษาผู้ท้จะนะเยอะเนี่ยว่า เราจะให้คําจํากัดความคนดีอย่างไรจึงจะดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วงเลือกตั้งสําหรับสมมุติเป็นคนประเภทที่ดีที่เราจะต้องเลือกในเ่องกาคือดีเรลวเนี่ยแล้ว เ, เอาอันดับแรกเอาความเห็นใครก่อนเราจะเอาความเห็นอานตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคนที่เดินตามหลักธรรมของอานตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าดีไหมก็ชื่อว่าดีนะนั้นผู้เจ้าเนี่ยมีความเห็นว่าคนดีเป็นอย่างไร เดินตามนั้นไปเลยนะมีศีลหาวาจาสัตตบรุตรนะการกระทําของบัณฑิตนะสัตตบรุตรเป็นยังไงบ้างแจกแจงไปการกระทําทางกายเป็นยังไงวาจาเป็นยังไงนะจิตเป็นยังไงเช่นว่ากายกรรมตั้งไว้ซึ่งกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมนะที่ประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและและรับหลังอย่างนี้นะนั้นโอ้ผู้ย่าสอนความดีของคนมาเยอะแยะเลย<ม>บุคคลใดก็ตาม มาเดินตามคำสอนของอ น, นันตสมาสัมพุทธเจ้าในคุณสรธรรมทั้งหลายที่ท่านบัญญัติไว้ก็ชื่อว่าเป็นคนดีซึ่งมีหลายระดับมากเริ่มตั้งแต่การมีสินห้านะการมีวาจาที่ดีวาจาที่ผู้รู้ติเปลี่ยนไม่ได้การมีสัมมาวาจาอย่างนี้สินห้าบริบูรณ์การทำสมาธนะิผู้คนนั้นมีไมใช่ไหมเยอะอะไรเยอะ เข้าใจครับลำพังเมื่อกี้พอดีท่านพูดเฉียดไปที่สัมมาวาจาบ้งเออที่<ม>ฉันเนี่ยก็เป็นคนมีความเชื่อว่าคําพูดเนี่ยมันเป็นปากทางของ <c oughs> ความดีมและไม่ดีหรือว่าเป็นตัวที่จะทําให้คนเกิดผัดสะและจะเกิดอารมณ์ที่ตามมาเป็นเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีนําประสู่การกระทําอื่นๆต่ อ, ตอไปจึงอยากถามท่าอาจารย์ว่าลำพังเพียงแค่มีสัมมาวาจาสมมุติคนเคร่งครัดมากเลย ะะดิฉันจะมีสัมมาวาจาช่วยให้เพียงพอที่เราจะประกาศตนหรือประกาศว่าคนที่เป็นเช่นนั้นเป็นคนดีได้ะคะ่ะถ้าเขามีสัมมาวาจารจริงก็ชื่อว่าเป็นคนดีได้ผู้ใดประพฤติ ป, ปฏิบัติตามทางมัชมีมุ่งแปดพรเจ้าก็ยืนยันว่าคนนั้นเป็นคนดนะคนะีประกอบพร้อมแล้วด้วยอ น, นิมัชมีม่งแดมีชื่ออย่างนั้นมีโคษอย่างนั้นก็นะ เ, เป็นคนดีแน่นอน ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนนิสัยอย่างอื่นเนี่ยดีด้วย uh huh. หรือว่าแบบไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนเก่งอย่าง น, นี้ uh huh. เราจะตัดสินแค่สัมมาวาจานี่ได้ไหมคะการมีสัมมาวาจานี่มันจะพ่วงไปเรื่องของการดูจิต ด, ด้วย uh huh. เรื่องสัมมาวายามะพ่วงไปด้วยเรื่องสัมมาสติพ่วงไปด้วยนะเพราะนั้นสังคมเนี่ยต้องการคนดีเข้าไปบริหารจัดการนะ คนเก่งมีจำนวนมากเจ้ากระทรวงเนี่ยจริงๆขอให้เป็นคนดีมือไม้มีอยู่แล้วนะดรท้งนั้ น, นมือไม้รอบตัวเขาใช่ไหมรู้จักการบริหารคน่ระดับของนักธุรกิจระดับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเขาบอกเขาไม่ได้เก่งอะไรเขาเลี้ยงคนดีเขาสนับสนุนคนดีเพราะรวบรวมคนดีมา กิจการเขาระดับหมนะื่นล้านแสนล้านเพราะเขาเลี้ยงคนนะแล้วคนไหนเป็นคนดีมีความสามารถเขาสนับสนุนเต็มที่รถไปบ้านไปกินอยู่พร้อมไม่ต้องกังวลคิดเรื่องงานอย่างเดียวใช่มเพราะฉะนั้นอยู่เป็นหัวเป็นท็อปบริหารคนแค่นนะั้นบริหารคนให้เป็นให้มีความยุติธรรมนะอย่าให้เขาลําบากคุณทํางานแล้ ว, ลวต้องอสมน า, าคุณให้เขาก็เหมือนกับพระเจ้าบอกนะก็ให้รางวัล ใช้งานตามกำลังหน้าที่ของเจ้านายต่อลูกน้องแค่นี้เหลือเฟือแล้ะคนดีเนี่ยเข้าไปในสำนัญที่สุดเลยเห็ยไหมเพราะฉะนั้นต้องต่องทีเป็นคนดีวัดจะที่ความดีมากกว่ามากกว่าประสิทธิภาพใช่ๆชประสิทธิภาพเนี่ยมันจะมาเองเพราะคนดีจะมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาเดินผิดเดินผิดแก้ไขปรับปรั บ, ป ร, บปรับทิศทางอยู่เรื่อย มันไม่มันไม่มีใครที่โป๊โป๊โป๊ะมันได้สำเร็จหมดนะผิดพลาดแก้ไขผิดพลาดแก้ไขแต่คนไม่ดีผิดพลาดจะไม่แก้ไขนะจะดำรงความผิดพลาดนั้นต่อไปนะหรือทำให้เกิดปัญหามากขึ้นนะนั้นตัวคนดีเนี่ยสำคัญมากถึงแม้เขาจะยังไม่เก่งมากแต่เดี๋ยวจะเก่งเพราะประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ <c oughs> มันเหมือนกับว่าใน ใน ส, สังคมสมมุติถ้าถ้าเราพูดแค่การเมืองันมิตีกรอบที่พูดยากสักหน่อยหนึ่งว่าคือดี่นี่กำลังมองว่าคนไหนก็มีข้อติไปซะทั้งนั้นค่าเสนอตัวขึ้นมาให้คนเลือก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดพรรคใดก็แล้วแต่ <c oughs> ตนคะครับดูเหมือนกับว่าก็จะมีคนบอกว่ามีความไม่ดีอย่างไร <c oughs> โดยเฉพาะคนที่เป็นคู่แข่งก็พยายามออกมาบอกแต่ทีนี้ในสังคมตรงเนี้ยพอมาฟังข้อมูลนี้ประกรอบด้วยมันไม่มีใครดีจริงๆที่จะให้เลือก ก็พเราไปเราเราไปเชื่อคําพูดเขาแล้วเนี่ยก็ในเมื่อเขาเขาพูดเรื่องไม่ดีคนอื่นขึ้นมามันก็เป็นอาสาตํหลุดอยู่แล้วใช่ไหมยมลองคิดดูสิถ้าสังคมไม่มีการพูดเรื่องไม่ดีต่อกันเห็นไหมพูดดีหมดไม่พูดร้ายให้ใครมันจะเป็นสังคมที่รับรื่นส่วนใครทําให้ดีผลก็จะปรากฏขึ้นมาเองนะก็ให้ดําเนิน การไปตามเหตุปัจจัยตรงนั้นใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วพระศัสดาก็บอกว่าชนชั้นปกครองหรือผู้ปกครองนะต้องมีธรรมหัวสูงสุดเนี่ยต้องมีธรรมะถ้าหัวสูงสุดเนี่ยไม่มีธรรมะเนี่ยมันจะไม่มีธรรมะไล่มาเป็นรูปหลนานเลยนั่นคือพระศาสดาเนี่ยมองเรื่องธรรมะเป็นอันดับหนึ่งไม่ได้บอกว่าผู้ปกครองต้องเก่งเห็ <Okay. S 1> นไหมแต่บอกว่าผู้ปกครองต้องมีธรรม เห็นยะฉันได้ฟังมา <c oughs> บ้านจริงหรือไม่คะว่าผู้ปกครองโดยทั่วไปเนี่ยลำพังแค่มีสีลห้าก็เพียงพอแล้วค่ะอืมก็เป็นพื้นฐานระดับหนึ่งของของการมาตรฐานการวัดความดีของบุคคลนะความสามารถที่เขามีนะ ความดีที่เขามีมันก็จะช่วยทำให้สังคมเจริญดังนั้นอันดับแรกเนี่ยความดีต้องมาก่อนต่อให้มีความสามารถมากแต่ถ้าไม่ดีปั๊บเนี่ยมันความสามารถนั้นมันหมดราคาไปหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นคนดีความสามารถยังไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวมันจะดีต่อไปได้นะซึ่งนั่นก็คือคนรอบข้าง ท, ที่มีความสามารถนะเราสามารถนำมาใช้ได้ น, ะนามาช่วยได้ ทีนี้ดิฉันก็กำลังจะเอาโจทย์ของการเลือกตั้งเนี่ยต่อนะคะว่าเราก็มานั่งคิดว่ามันเหมือนกับมนุษย์ในแต่ละคนเนี่ยบางทีดิฉันต้องสนทนากับคนบ่อยเรื่องคนดีคนไม่ดี่ยมันมีดีอยู่ในตัวแล้วมันก็มีข้อตําหนิบ้างมันไม่ใช่มีดีทั้งหมดเราก็มาคุยกันในส่วนตัวให้ความเห็นว่าถ้ามนุษย์หนึ่งคนทุกคนมีดีไปหมดก็คงไม่ต้องมีโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ะะแต่ในการเลือกตั้งมันเป็นการทำให้เราได้ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการที่คิดว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุด uh huh. แล้วที่ท่านอาจจะงงว่าที่ฉันพูดเกี่ยวกับธรรมะยังไง uh huh. คือทีฉันมองว่ามนุษย์เนี่ยคะ่ะมันต้องไปอยู่ในกองกิเลส ต, ต่างๆตามเหตุป uh ั huh. จจัยที่เปลี่ยนแปลงไปทีนี้ดูเหมือนกับว่าหากคนเราเนี่ยมีจุดยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่เลวลงได้ หรือดีขึ้นได้ตามกิเลส ท, ที่อยู่รอบข้างมตตจที่อยู่รอบข้างแต่กระบวนการในการเลือกตั้งเนี่ยมันจะทำให้มีระยะเวลาที่จำกัดจึงนำมาสู่การที่หากเราเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนคนที่จะไม่เลือกคนที่ไม่ดีนะคะและระยะในการเปลี่ยนเนี่ยเราเรามีกรอบอยู่แล้วน ะ, ะนั้นก็ต้องให้โอกาสของผู้ที่ได้รับการเลือกมาเนี่ยทำให้มันจบใช่ไหม ไม่งั้นมันก็จะไม่มีความบั่นคงเลยสักรัฐบาลหนึ่งเพราะว่ า, าเปลี่ยนแปลงบ่อยมากรวดเร็วะนะไม่ดีก็ต้องยอมระยะหนึ่งกรอบที่ตั้งไว้สมมุติว่าสี่ปีก็จะได้ชัดไปเลยว่าอันเนี้ไม่เอานะแล้วก็เปลี่ยนใหมานั้นในเมื่อเราให้โอกาสช่วงเวลากันแล้วก็อย่าไปทําลายโอกาสตรงนั้นในแต่ละคนที่จะพิสูจน์ทุวงเวลาพิสูจน์ความสามารถ เนี่ยค่ะท่านอาจารย์คะแต่ดิฉันอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ช่วยกรุณาพูดในส่วนที่ฉันกำลังบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นความเป็นมนุษย์เป็นได้ยากคือเหมือนกับว่าในเมื่อเราต้องอยู่กับสิ่งร้าวนะคะมันก็ทําให้มนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งๆคงที่อะตลอดเวลามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นใช่ค่ะอันนี้มันเป็นธรรมะตรงไหนนะคะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะฟังที่ฉันพูดแล้วไม่เข้าใจแต่นี่ฉันเชื่อว่าถ้านอาจารย์อธิบาย ได้ก็เรื่องความไม่เที่ยงไงเยอะเรื่องของความไม่เที่ยงย ค, คือคือเราคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดยากภายใต้พื้นฐานที่มันยังไม่ดีที่สุด<ม>ก็ในเมื่อมนุษย์ยังไม่มีธรรมะเป็นส่วนใหญ่เราจะคาดหวังผลที่ดีเลิศจากเหตุปัจจัยที่ไม่ดีเลิศได้อย่างไรในเมื่อวัตถุดิบเนี่ยมันยังไม่ดีเลิศ ผลดีเลอรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนั้นตัววัตถุดิบเนี่ยคนเนี่ยมนุษย์ต้องดีเลอรก่อนใช่ไหมแล้วผลเนี่ยดีเลอรเนี่ยมันได้แน่นอนนั้นภายใต้วัตถุดิบที่ยังไม่ดีเลอรเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะต้องขูกขิดขูกขิด ก, กันแบบเ น, นี้นั่นนั่นคือเราต้องต้องสร้างรำ ม, มาให้กับคนในประเทศให้มากมันวัตถุดิบของท่าน <c oughs> ที่ยังไม่ดีเลอรเนี่ยหมายถึงค น, น, นตรงไหนครับมนุษย์ษทั่วไปคุณไมไม่ได้เฉพาะจำเพาะไปที่นักการเมืองถูกต้องมนุษย์ยังมีกิเลสอยู่แะ ทำยังไงจะให้มนุษย์มีกิเลสน้อยลงการมีกิเลสน้อยลงคือศีบอลบริบูรณ์มีสมาธิมีปัญญาคือไม่ใช่ดิฉันมา mm hmm. แก้ต่างให้นักการเมืองนะ mm hmm. แต่ดิฉันจะมีความทุกข์ทุกครั้งที่ได้ยินคําพูดพอพูดถึงนักการเมืองปุ๊บ ก, ก็ต้องบอกว่าเลวตามมาเพราะดิฉันมองว่ามันก็มีคนดีและคนเลวอยู่ปะปนทั่วไป mm hmm. ตรงเนี้ค่ะเราจะอธิบายอย่างไรดีเพื่อที่จะได้เห็นว่า มันเป็นธรรมดาของโลกหรือแม่เนี่โลกผิดปกติในการเมืองเลวจริงเป็นมนุษย์ที่มีกรรมเกิดมาแล้วต้องเลวอะไรเงี้ยครับเมื่อเรื่องเรื่องคนดีคนเลวมันมีทุกองค์การนะาหารดีทหารเลวตำรวจดีตำรวจเลวนะกระทรวงศึกษากระทรวงคมนาคมกระทรวงทุกกระทรวงทบวงกรมะทุกที่มนุษย์น่ะพระเจ้าจึงบอกมันเหตุปัจจัยตั้งแต่เข้ามาอยู่ในพบมนุษย์แล้วอะ มนุษย์เนี่ยทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วจึงประสบผลทั้งสุขและทุกข์ในชีวิตที่อยู่เพราะเราเป็นคนมันจึงเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้ท่าอาจารย์คดีฉันเองเนี่ยที่ต้องมากราบเรียนถามท่าอาจารย์คือมีความทุกข์เพราะเราอยู่ในประเทศที่เราใช้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งกติกาก็คือต้องหาคนที่เป็นตัวแทนใช่ไคะของประชาชนไปทางานเพื่อประชาชนทีนี้ถ้าเรา ไปคาดหน้าไปแล้วว่าขึ้นชื่อนักการเมืองเลวหมดเนี่ย uh huh. ยิ่งคิดว่าเราไปต่อในลักษณะนี้ลําบากนะคะแต่ในเมื่อเรายัางอยู่เนี่ยก็จึงอยากจะมากราบหาธรรมะที่จะไปประกอบ ก, บกับการที่จะทำให้เราต้องยังอยู่ในสิ่งนี้แต่ยังอยู่กันได้แบบ uh huh. ดีที่สุด uh huh. แล้วมันเดินหน้าต่อไปได้ยี่ยกลับเรียนถามท่านว่าศา uh huh. ส, สนาพุทธมีทางสายกลาง uh huh. ทางสายกลางกับการเมืองนี่ในมุมมองของท่าน uh huh. นะคะเป็นไปได้นะคะ เป็น ไ, ปได้ถ้าคนมีธรรมะไงะในเรื่องของอัตตาธิปไตยนะโลกาธิปไตยธรรมาธิปไต่นะอันนี้ก็ก็เป็นมุมหนึ่งเหมือนกันมุมของคนที่ <c oughs> ทำความดีในสามลักษณะนะอายตัวเองอายโลกนะอายธรรมะนะนั้นในลักษณะของอายธรรมะเนี่ยก็เลยขนขวายที่จะทำความดีเพราะเห็นว่าคนที่สำเร็จ ในชีวิตเนี่ยจากการทําความดีก็มีอยู่ไม่ทําไมเราจะทําไม่ได้นะอายตัวเองก็คือเป็นอัตราทีา่กรตยโลการที่กตยก็คืออายโรคกลัวเขาติดฉินนิมทานอ่าอย่างนี้ก็เลยทําความดีจริงๆทั้งสามกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่พยายามทําความดีหมดแต่อาศัยเหตุปัจจัยของการทําความดีที่ต่างกันมีมุมมองต่างกัน ะ, นะ <c oughs> มุมนี้ก็ได้คือโลกนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ นัน้นอันดับแรกเลยคือต้องทำให้คนมีธรรมะให้มากแล้วปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดน้อยที่สุดนะเราจริงๆแล้วเราสามารถมีมีตัวแทนของเราที่ดีหรือมีความเจริญของประเทศโดยไม่ต้องเบียดเบียนกันไดนะ้พระมหาจักรารพัฒ์ของพู้เจ้าเนี่ยปกครองโดยธรรมมีแว่นแคว้นมหาสมุทรจบมหาสมุทร เราไม่เคยเห็นความยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่โดยธรรมแต่ผู้ชา่างบอกดีเห็นไหมเราเราเห็นแต่ว่าคนที่ขึ้นมายิ่งใหญ่จะต้องไม่ดีมาเพราะเรามาอยู่ในยุคแบบนี้สังคมแบบนี้นะซึ่งการผิดศีลดูเป็นเรื่องปกติอยู่ซึ่งแต่ก่อนถ้าถ้ามาสมัยเด็กๆ ก, ก็จะดูว่าเรื่องของศีลธรรมยังมีความเกรงใจ มีความอให้ความเคารพกันอยู่บ้างแต่หลังๆก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆทำยังไงจะให้คนเนี่ยมีสินทาให้มากขึ้นจริงๆแล้วเวลามาวัดเน่นฉันก็ไม่อยากที่จะเอาเรื่องการเมืองรบกวนเพราะวบางครั้งมีความรู้สึกเอ๊ะมันถูกหรือไม่ถูกแต่คิดว่ามันเป็นความจริงของสังคมทีนี้ถ้าท่านตอบได้ท่านตอบนะครถ้าท่านตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเทสในช่วงต่อไปนี้คือ ไปตัดตรงนี้ออกนะคำถามทมี่จะกลับเรียนถามคืนว่าถ้าท่านมองปัญหาประเทศไทยเนี่ยถ้าจะห า, าทางกออกโดยธรรมในวันนี้มันน่าจะเป็นยังไงคนระับก็ไม่มีอะไรก็ให้ทุกคนปฏิบัติตามมรรคแปดศีลห้าศีล ส, สมาธิปัญญาคือคนเร็วไม่ใช่เร็วตลอดเนี่ยคนเร็วกลับเป็นคนดีได้เรามักจะมองว่าเร็วมันต้องเร็วตลอดใช่ไหมหรือดีจะดีตลอดก็ อ, อนิจจังคนดีเข้ามาถ้าไม่มีธรรมะ ดีก็เปลี่ยนเป็นไม่ดีได้นะเพราะว่าภาวะแวดล้อมมันดึงจิตให้เปลี่ยนไปไม่ดีนั้นต้องมีต้องมีธรรมะเลยอันดับแรกนะแต่คนไม่ดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยพอรู้สึกสํำนึกขึ้นมาได้มีธรรมะเขาอาจจะกลับตัวเป็นคนดีได้นะมันมันอนิจจ์เรื่องนี้เพราะนั่นตัวธรรมะมันเปลี่ยนคนได้ไงทายังไงจะให้นักการเมืองเนี่ยซึ่งซึ่งเราเปลี่ยนตัวนักการเมืองไม่ได้ค่ะนะ แต่เราเปลี่ยนจิตใจก็ได้ด้วยธรรมะนะเหมือนเปลี่ยนจิตใจองค์คุริมาลน ะ, ะลักษณะเดียวกันแล้วเราจะได้คนดีขึ้นมาบริหารประเทศคคือเหมือนกับว่าถ้าเอาธรรมเข้าไปใช้ในที่ดใดธรรมก็จะช่วยให้ในที่นั้นดีขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าอย่างกับในเรื่องทางสายกลางอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะ คิดว่าน่าจะมีโอกาสได้เอาเข้ามาใช้กันให้มากเข้าวทีนี้ในเรื่องของการเห็นแก่ส่วนรวมอะคะซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญมากของประชาธิปไตายถ้าหากว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมีอย่างใดไหมคะที่สอดคล้องกันหรือมีความขัดแย้งกันตรงไหนหรือไม่คะคือต้องรักษาตนเองก่อนมันถึงจะเป็นการรักษาส่วนรวม รักษาตนเองด้วยการเสพธรรม ะ, ะ, ะด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปิดในการไม่พูดปลวกไม่ดื่มสุร่ายยาเมานั่นแหะการรักษาตนพุทธเจ้าบอกจะมีผลเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยในตัวเสพกระเทาะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนเอาตัวรอดเพ<ม>ว่าเป็นการปฏิบัติเพียงลําพัง<ม>แต่ว่าจริงๆการที่คนแต่ละคนรอด<ม>ก็จะช่วยให้โลกรอดด้วยถกต้องนะคะ วันนี้ก็เป็นอะไรที่ฉันอยากกล่าวเรียนถามท่านมานานแล้วเรื่องพวกนี้<ม>ก็เกรงใจเท่าจันไม่ท่านผู้ชมครับแปลกมากเรื่องการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเอ่ยตากพูดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนจะนึกถึงเป็นเรื่องเป็นพิษเป็นไทยมีอคติมีข้างมีฝ่ายแต่ถ้าฟังในวันนี้นะคะดิฉันก็ด้วยความตั้งใจว่าพยายามที่จะเอาหลักตรงกลางเนี่ยเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุดแล้วเราก็มาช่วยกัน ความจแล้วก็น่าจะมีนักการเมืองประกาศว่าจะเข้าไปแล้วก็ทําให้คนได้มีธรรมะมากขึ้ น, นะะไม่มีนโยบายนนไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดนะครับแต่เป็นเสียดายการเลือกตั้งใหญ่คงผ่านไปแล้วละ่ะถ้าสมมุติสามารถนําเสนอได้ทันนะฮะก็อยากจะฝากไปว่าพยายามทําให้คนแต่ละคนนั้นได้มีธรรมตัวเองแต่ละคนรอด สังคมก็จะรอดด้วยและในวันนี้เราก็มีเวลาเหลือน้อยมากค่ะก็คงจะขอฝากพุทธวจะนะขออนุ ญ, ญาตนะคะหให้กับท่านผู้ชมไว้เช่นเคยเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงบทพยัญชนะของพระศาสดานะคะว่าเราสามารถจะนำไปใช้อะไรกันได้บ้างเมื่อสักครู่นี้ท่านได้พูดถึงการพูดการพูดนี่ก็มีหลายหลักเลยนะคะเรา ยกเอาการพูดของสัตว์บุรุษมาตอกย้ำกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันค่ะอยู่ในหน้า5้าของหนังสือพุทธวจนะชุดปฐมธรรมเล่นนี้ซึ่งถ้าอาจารย์บอกว่าเนี่ยเป็นการตรวจสอบดูได้ว่าคนดีหรือไม่ดีก็ดูจากคำพูดของเขาแล้วก็คำพูดเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่สามารถไปสอนสองดูแลใครว่าเบื้องหน้าเขาทาอย่างไรหลังฉากเขาเป็นอย่างไร ลักษณะการพูดของสัตว์บุรุษนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่ทิกดทั้งหลายว่าบุคคลผู้ประกอบได้ทำสี่ประการเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตว์บุรุษมีดังนี้นะคะ 1. แม้มีใครถามถึงความไม่ดีของผู้อื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นาเอาปัญหาไปทาให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่น อย่างไม่พิสดารเต็มที่พิสุทธ์ทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตว์บุรุษต่อไปข้อ2ค่ะพิสุทธ์ทั้งหลายสัตว์บุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่ถูกใครถามอยู่ถึงความดีของบุคคลอื่นก็ยังนํามาเปิดเผยให้ปรากฏจะต้องกล่าวทําไมถึงเมื่อถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความดีของบุคคลอื่นก็นําปัญหาไปทําให้ไม่หลีกเลี้ยวลดหย่อนกล่าวความดีของผู้อื่น โดยพิสดานบริบูรณ์ข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนนี้เป็นสัตว์บุรุษประการที่ 3. สัตว์บุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้ไม่มีใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ยังนำเปิดเผยทําให้ปรากฏทําไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อถูกถามเล่าก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของตนก็ไม่นําเอาปัญหาไปทำไปหาทางทําให้ลดหย่อนบิดเบี้วแต่กล่าวความไม่ดีของตนโดยพิศดานเต็มที่พิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ถึงรู้กันถึงว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษและสีสัตบุรุษอย่างอื่นยังมีอีกคือแม้มีใครถามถึงความดีของตนก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏทำไมจะต้องกล่าวถึงเมื่อไม่ถูกใครถามเล่าก็มาถูกใครถามถึงความดีของตนก็นาเอาปัญหาไปกระทำให้ลดหย่อนหลีกเลี้ยวเสียกล่าวความดีของตนโดยไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้พึงรู้กันถึงว่าคนคนนี้เป็นสัตว์บุรุษพิสุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบได้ทํำสีกะการเหล่านี้แลเป็นที่รู้กันว่าเป็นสัตว์บุรุษค่ะก็เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งที่ท่านอาจารย์ได้บอกไปนะคะแล้วก็ยังมีลักษณะของการเป็นสัตว์บุรุษอีกหลายอย่างอยู่ในหนังสือเล่ม น, นี้ก็หาได้จาก วัดอาปะพงลำลูกกาคลองศิธ์จังหวัดปุลถุมธา น, นีนะคะวันนี้เรามานวัส ก, การขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสท่านพระอาจารย์คึกริปโสธิพโลด้วยการก่อนนะคะ